พระไตรปิดกบาลีนี้รักษากันมาอย่างไรใครๆจึงพากันยอมรับเป็นหลักบรรยายเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2549ก็มาคุยกันต่อก็คุยกันไปเรื่อยๆมีบางท่านสนใจเรื่องอัตถกถาต พระุโกศสารย์ไปศิลังกาเรียบเรียงวิสุทธิมรรคแปลอัตถกถานั้นพอสเกรเศษอันนี้เรื่องประวัติศาสตร์นี่ก็สําคัญบางทีอย่างพระไทยเราเรียนคัมภีร์อัตถกถาเล่มนี้เล่มนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าคัมภีร์นี้ไม่รู้ไหมแต่ว่าใครแต่งเรียนกันไปแปลจึกระทั่งจบไม่รู้ว่าว่าคัมภีร์เล่มที่ตัวเรียนเนี่ยใครแต่ง แล้วก็แต่งยุคสมัยไหนก็เลยยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยเนี่ยก็เลยกลายไปว่าดูแต่เนื้อในนั้นก็เอามาแปลชัดแปลได้จบพอแล้วนีมน่มนจะถามอะไรแล้ ว, ลวพระไตรปิฎกอักษรไทยอะครับไม่ทราบเราคัดลอกมาจากอักษรภาษาอะไรครับ อ, อ๋ออักษรไทยแต่ว่าเป็นภาษาบาลีคือคำว่าไทยเนี่ยต้องแยกว่าพระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยหรือพระไตรปิฎกแปลเป็นไทย แปลเป็นไทยก็คือแปลเป็นภาษาไทยพระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยก็คือพระไตรปิฎกเดิมที่สืบกันมาที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าต้องพยายามรักษาให้คงเดิมเท่าที่มีมาถึงเราเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนไปเลยอันนี้ก็คือตั้งแต่สังขยาครั้งที่หนึ่งอ้าวก็พอพระพุทธเจ้าปฏิทิพผานใช่ไหมท่านอาจจะได้เรียนแล้วมั้งพุทธประวัติจบหรือ ย, อยัง จบจบก็ชัดแล้วนี่พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็รอพระมหากัสปะท่านเดินทางอยู่อันนี้พอได้ข่าวจากอาชีวกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์รปรินิพพานสุพัตถาวุฒ บ, บัติชิตพระสุพัตถะที่บวชเมื่อตอนสูงอายุเนี่ยท่านก็แสดงความคล้ายๆล้าจัวดดีอกดีใจก็อาจจะไม่ถึงขนาด น, นั้นแต่ว่าแสดงความโล่งใจ พระทั้งหลายก็พากันโศกเศร้าร้องไห้พระองค์นี้ก็บอกโอ้ยอย่าไปร้องไห้อะไรนะพระเจ้าเจ้าวัินี้พานนี้ก็ดีอยู่ทำไมอ่ะพะตอนที่พระองค์อยู่นี่พระองค์ก็บัญญัติน่นบัญญัตินี่พวกเราลําบากปฏิบัติกันยากก็ต้องคอยฟังเดี๋ยวทําวันนี้พระองค์จะบัญญัติห้ามอีหรือเปล่าทีนี้พระองค์วันนิ้ผ่านแล้วไม่มีใครมาจะเรียกภาษาปัจจุบันก็ไม่มีใครมาจํำจีจำชัยแล้ว ก็สบายแล้วแหละโล่ลงกันเจทีพระสุปัทราว่ายอย่างนี้พระหมหากรสปะได้ยินนะท่านก็เลยเป็นห่วงว่าโอ้นี่ขนาดพระพุทธเจ้าปริณิพานใหม่ๆก็ยังมีพระที่คิดอย่างนี้แล้วต่อไปทำไงก็จะต้องพยายามรักษาพุทธพนดไว้ให้ดีที่สุดเมื่อไปถึงที่ปรินิพานแล้วจัดงานถวายรพระเพลิงพระพุทธสรีระเสร็จแล้วก็เลยปรึกษากับพระเถระ ที่อยู่ในที่นั้นว่าเราจะมาสังเขญากันดีไหมก็ตกลงกําหนดและท่านสงสัยอะไรฮะท่านจะสงสัยว่าประเทศไทยเพิ่งจะตั้งเมื่ออาจจะทัก700อปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับภาษาอักษรไทยเนี่ยไม่ทราบว่าคัดลอกหรือว่าแปลมาจากอักษรภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเดี๋ยวกันนีิก็ว่ากับอีกชั้นนึงเอาเอาเป็นว่าพอตกลงกันทําสังเขญาสังเขญาก็คือรวบรวมคําสอนพุทธพจน์ ที่พระ เ, เจ้าตรัสเนี่ยมารักษาไว้มาให้ได้รับทราบกันตกลงกันแล้วก็ช่วยกันรักษาต่อไปนี้ตอนแรกก็ต้องรวบรวมสังเขยนาก็คือสวดพร้อมกันคําว่าสังเขยนาแปลว่าสวดพร้อมกันทีนี้ภาษาไทยปัจจุบันในเพียนแหละสังเขยนากลายเป็นมัชระศาสาเดี๋ยวนี้คําว่าสังเขยนาแปลว่ามัชระศาสาใช่ไหมเนี่ยเพียน สังเขยนาเดิมไม่ได้แปลอย่างนั้นเลยเข้าใจเถอระว่ารวบรวมเอามาวางเป็นหลักไว้แล้วก็มาช่วยกันรักษาไว้ให้ดีเรื่องของพุทธศาสนาสําคัญที่อันนี้ก็คือว่ามุ่งปที่คาสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะรักษาไว้ให้พร้อมเพรียงก็มารวบรวมกันต่อสังเขยนานั้นแล้วที่ประชุมก็ตกลงว่ารักษาอันนี้ไว้ให้ดีต่อมาก็มีวิวัฒนาการนิดหน่อยตอนนี้เราไม่รู้ชัดในช่วงประมาณสักร้อยปีแรก หรือแม้กระทั่งสังคญญายนารั้นที่สามพระสมัยพระเจ้าอาโศกพศสองร้อยส้าสองช่วงเนี้ที่เป็นระยะที่ว่านอกจากคุตทตพจน์ที่รวบรวมในตอนสังคญญายนาครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยก็ยังมีคัมภีร์เพิ่มอีกจนกระทั่งสมัยสังคายนาขั้งที่สมก็มีเพิ่มแต่ก็ถือว่าลงตัวเสียทีนี่คำพีร์ที่เป็นรุ่นแรกๆมากกับพกพระสูตรนี่แหละพระสูตรที่เป็นแกนเนี่ยมีมาแต่ต้นเลย นก็รักษากันมาก็รักษาเป็นภาษาบาลีทีนี้สมัยเดินรักษาด้วยการสาธยายสาธยายก็คือได้ปากเปล่าปากเปล่าก็เรียกว่ามุขปาฐะหรือมุขบาตมุขปาฐะสวดเป็นภาษาบาลีได้ปากเปล่าการสวดภาษาบาลีได้ปากเปล่านี่เป็นวิธีรักษาพุทธโพธิถือว่าแม่นยําที่สุดคนสมัยหลังนี่เข้าใจผิดนึกว่า ไม่มีเป็นตัวหนังสือไม่ได้บันทึกไว้แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงสมัยก่อนนะั้นเขาถือว่าถ้าไปเขียนแล้วก็มีหวังจะต้องคลาดเคลื่อนแล้วก็เลือนหายแล้วก็สูญในเวลารวดเร็วเพราะฉะนั้นสมัยนั้นเขาถือการบันทึกเป็นตัวอนนักษรนี่เป็นวิธีที่ต่ําที่สุดจะเรียกว่าต่ําก็ไม่ใช่คือท่านก็ให้เกียรติแต่ว่าเป็นวิธีที่คุณภาพ ต่ำที่สุดคุณภาพต่ำเพราะอะไรล่ะครับ mm hmm. มองเห็นเหตุผลง่ายๆผมจะอธิบายไม่ยากหรอกคือการรักษาสมัยก่อนที่ว่าใช้ปากเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบอกให้แล้วก็ไปจำกันเฉยๆนะมันต้องมีระบบเนี่ยเพราะถ้าถือเป็นสำคัญใช่ไหมจัดเป็นระบบเป็นหมู่คณะเอาละหนึ่งลูกศิษย์เรียนกับครูอาจารย์สมัยก่อนเขาเรียกว่าเรียนแบบต่อหนังสือ เธอได้ยินไม่ต่อหนังสือต่อหนังสือก็ต้องเอาตัวบทก่อนแล้วก็อธิบายมันก็มีตัวบทแล้วก็อธิบายต่อแรกก็ให้ตัวบทเชื่อว่าพุทธพจน์พระสูตรนี้อา้าวลูกศิษย์คนนี้มาเรียนนรือมากันเป็นกลุ่มพระอาจารย์นี่ต้องแม่นใช่ไหมบอกให้อา้าวท่านว่ามาว่าไม่ถูกต้องว่าจนให้ถูกก็ว่าให้ถูกจนได้คราวนี้ยังไม่ได้เอากลับไปวันหน้านัดมาใหม่ ตั้งไว้ตัวบทไม่ให้ผิดเลยแล้วทีนี้ก็ตัวบทไปก็อธิบายด้วยว่าเนื้อความมันเป็นอย่างนี้แต่ตัวบทนี่ต้องแม่นทุกองค์ต้องให้แม่นลงกันหมดนี่หนึ่งละนะวิธีต่อหนังสือเขาเรียกว่าถือการรักษาตัวบทนี่สําคัญเพราะเป็นแม่แบบแล้วนี่อ้าวสองทีนี้การรักษาทําไปหมู่คณะหมูาา่คณะต้องสวดพร้อมกันสวดพร้อมกันแล้วใครจะไปเพี้ยนได้ทีนี้ ถูกจะตัดจะเพิ่มไม่ได้เท่นั้นถูกไหมสวด ร, ร้อยองค์สวดพร้อมกันนี่ใครไปเที่วผิดกับพวกคำเดียวกันไม่ได้ถูกไหมันก็นเลยกลายเป็นการรักษาที่แม่นยำอันนี้ท่านถือเป็นเรื่องใหญ่ในพระมีหน้าที่จะต้องสาธยายทรงจำพุทธพทไว้ น, นั่นก็มาประชุมการสวดนี่แหละประเพณีสวดมนต์มันก็เกิดจากการสาธยายรักษาคำสอนพระพุทธเจ้า ที่เรามาทำวัดทรมวสถนี่มันเรื่องค่อยๆวิวัฒนาการมาวัตถุประสงค์เดิมก็คือการสาธยายรักษาคาสอนพระพุทธเจ้าไว้ก็มาประชุมกันสว่วนนี้นอกจากนั้นแล้วก็แบ่งกันอีกอวัดโน้นวัดนี้นะฮะเป็นหมู่คณะหมู่คณะนี้ชำนาญในพสูรหมวดนั้นเฉพาะเลยกลุ่มนี้ชำนาญในสวน่วนนี้เขาเรียกว่า ทนิกายพงหนึ่งมัชชิมนิกายพงหนึ่งอะไรแน่ยแยกกันไปชำนาญต้องรักษาตัวบทแล้วก็ชำนาญในคําอธิบายด้วยนะแล้วพวกอาจารย์พวกกลุ่มเนี้ยก็จะมีชื่อเสียงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยไม่มวดกลุ่มเนี้ยพวกอื่นเขาก็รักษานะแต่ว่าพวกนี้จะชํานาญเป็นผู้เชี่ยวชาญ น, นี่ก็รักษากันมาแบบนี้นะก็คือว่าตั้งทรงจําตัวบทแล้วก็รู้คําอธิบายก็มีอาจารย์เป็นจะเรียกว่าเจ้าสํานัก หรือควหน้าหมู่คณะเป็นผู้ที่จะเป็นแม่แบบอีกทีก็เนี่ยวิธีทั้งการเรียนแต่ละองค์ทั้งการรักษาไปหมู่คณะสวดร่วมกันมันก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ถือสำคัญมากนี่พระไปเจอต่างถิ่นกันก็ต้องตรวจสอบความรู้กันได้นะก็ต้องเป็นแบบแผนเดียวกันหมดนี้สมัยก่อนเขาถือว่าการบันทึกการเขียนเป็นหนังสือนี่มันเป็นวิธีการที่ประมาท เพราะว่าพอไปเขียนแล้วหนึ่งเราไปลอกสิสมัยก่อนมันไม่มีระบบการพิมพ์เป็นแม่แบบที่ว่าพิมพ์ทีเดียวเป็นหมื่นเป็นพันชูไหมที่มันลงตัวเนี่ยเนี่ยไอการพิมพ์ที่มันมีแม่แบบที่คนจีนคิดขึ้นเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยเพราะมันมีแม่แบบพิมพ์ทีเดียวพันหนึ่งก็เหมือนกันหมดทีนี้สมัยที่คัดลอกเนี่ยนะครับหน้าหนึ่งเนี่ยไม่มีไอที่จะไม่มีผิดเลยใช่ไหม พอไปคัดลอกอา้าวไปและหน้านี้ตกไปตัวหนึ่งหรือเพี้ยนไปตัวหนึ่งบางทีเห็นไม่ชัดไอ้ลอกตัววอเป็นตัวจอหรือตัววอเป็นสระอาเป็นเอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกคัดลอกนี่ก็อันตรายคัดลอกทีก็เพี้ยนทีไม่มากก็ น, น้อยแหละนี่ถ้าเป็นทั้งเล่มทั้งกระพียนี่จะเพี้ยนขนาดไหนนั้นเขาก็เลยไม่ไว้ใจ สมัยก่อนก็เลยใช้การคัดลอกเนี่ยเพียงสําหรับการเล่าเรียนชั่วคราวก็หมายความว่าเวลาเราจะเรียนต่อกันก็อาศัยไอการเขียนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือช่วยในการทรงจําที่เรายังไม่แม่นเราก็มาช่วยในตัวเขียนทีนี้ถ้าฝากไอเนื้อหาไว้กับตัวเขียนเมื่าแล้วก็คือว่าประมาทคล้ายๆว่าเออมันมีอยู่ในเขียนแล้วเลยตัวเองไม่เอาใจใส่ไอข้อมูลนั่นก็เลยไปอยู่ในสมุด แต่ในหัวไม่มีแหละก็กลายเป็นคนประมาทตัวจริงหายหมดท่านก็เลยต้องให้ระวังว่าถ้าไปเขียนแล้วเนี่ยจะประมาททีนี้ยุคที่ไม่เขียนนี่จะต้องเอาใจใส่กลัวนี่ใช่ไหมหายไปนิดนึงก็แย่แล้วองค์นะต้องเอาจริงเอาจังกันมากเพราะนั้นตอนยุคเดิมเนี่ยใช้ไอ้พวกเขียนเนี่ยเป็นเพียงเครื่องช่วยในการเรียนเฉพาะหน้าแต่ละคราวละคราว ในสมัยพุทธกาลก็มีในพระพิณายปิดดกท่านไปนดูของโน่งกอ ง, งนี้ก็จะมีการเขียนแล้วไม่ใช่ไม่มีอย่าไป น, นึกว่าสมัยพุทธกาลเขาไม่มีการเขียนเช่นโจรชนิดหนึ่งเนี่ยโจรที่ทางการออกหมายเรียกในพระไตรปิฎกมีนะโจรชนิดหนึ่งเนี่ยท่านมีชื่อเลยโจรที่ทางการออกหมายเรียกก็คือต้องมีหมายประกาศนะเอาไปติดไว้ในทางสี่แพ้่ง อ, อะไรอย่างเงี้ยว่าโจรคนนี้ให้จับตัวมาอะไรเงี้ยนะ ก็แปลว่ามีมานานและเรื่องการเขียนหนังสือแต่ท่านถือว่าไม่ใช่วิธีรักษาพุทธพจน์ที่ไว้ใจได้ไม่น่าไว้วางใจแต่น่ากลัวสูญหายเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช้ก็จะใช้เป็นเพียงเครื่องประกอบในการสื่อสารกันธรรมดาในการช่วยการเล่าเรียนศึกษาส่วนการรักษาที่แท้นี้ก็คือรักษาด้วยการสวดพร้อมกันแล้วก็มีแบ่งหน้าที่อะไรอย่างที่ว่านี่ มีการสืบสายสายนี้ชํานาญด้านนี้ใช้ชำนาญด้านวินัยณสารนี้ชำนาญพระสูตรในหมวดนั้นหมวดนั้นหมวดนั้ น, น, น, น, นไปนะนนี้ก็เป็นมายอย่างนี้จนกระทั่งว่ามาถึงสมัยพศ .400 เศษที่ว่ามีสังฆทาครั้งที่หในหลังกาน่ยตอนนั้นมีสงครามมีตะไรๆวรุ่นวายพระก็อยู่ไม่เป็นสุขท่านก็เลยมาปราลบว่าต่อไปนี่การที่จะใช้วิธีรักษาพุทธพจน์ด้วยการสวด เป็นการทรงจําไว้ด้วยปากเปล่าเนี่ยจะเป็นไปได้ยากท่านนั้นก็เลยจะต้องจําเป็นแม้จะไม่น่าไว้วางใจนะักก็พยายามทําให้ดีที่สุดก็จําเป็นจะต้องจารึกลงไปลายละอักษรแต่ท่านทำได้ความจําใจให้ไปอ่านประวัติดูการที่ท่านบันทึกพระไตรปิฎกจารึกลงไปลายละอักษรเนี่ยท่านทําด้วยความจําใจคือถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่น่าไว้วางใจ แต่จำใจต้องทำ mm. เพราะสถานการณ์นี้มันไม่น่าไว้วางใจอย่างที่ว่าเมื่อสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจก็เลยต้องเอาสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจน้อยกว่ามาช่วย mm. ก็คือว่าไอ้พวกเอกสารนะอาจจะมีทางรักษาไว้ได้บ้างแล้วก็ถือเป็นสำคัญว่าจะต้องมีการตรวจชำระกันอย่างหนักเมื่อมีการมาจาลึกนี้จะต้องทาเป็นสุดรวมเป็นการของมูลคณะมาประชุมเช่น พระสงฆ์ทั้งทั้งประเทศนี้ต้องมาตกลงกันแล้วก็มาทําด้วยกันแล้วก็ตรวจสอบกันให้ดีเสร็จแล้วก็ตั้งฉบับที่เป็นแบบไว้ว่านี่นะฉบับที่เป็นแบบอย่างประเทศไทยเราก็ถือเป็นฉบับที่เป็นแบบของประเทศซึ่งประเพณีนี้ทํามาก็ต้องเอาพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นผู้ประถามทุกทีเลยเนะเวลาทําเรื่องของการจารึกคัดลอกพระไตรปิฎกเนี่ยจะไว้เป็นแบบของแผ่นดินก็อย่างสมัยอยุธยาแต่ พอสมเด็จพระเจ้าตากศินขึ้นครองราชพอจัดการบ้านเมืองจะเข้าที่สิ่งที่พระองค์รีบทำคืออะไรรนะู้จะเห็นเลยรีบให้รวบรวมพระไตรปิฎกจากเมืองเหนือเมืองใต้ใช่ไมเนยเนี่ ย, ยพระเจ้าตากเอาเลยคือถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเลยการแผ่นดินเนี่ยรบมาบ้านเมืองแตกกันกระจระายวุ่นวายพอรวมได้ก็เอาเลย ว่าให้พระสงฆ์ให้ข้าราชการอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดเชียงใหม่อะไรเมืองเหนือเมืองใต้รวบรวมพระไตรปิฎกส่งมาแล้วก็ให้ประชุมพระสงฆ์ตอนแรกพระเจ้าตากยังไม่มีเวลาก็ได้แค่รวบรวมมาไว้ก่อนพอสมัยรชัชกาลที่หนึ่งก็ทรงมีเวลาการแผ่นดินเรียบร้อยมากขึ้นอา้าวประชุมพระสงฆ์มาจารึกทําฉบับแม่บทแม่แบบขึ้นมา ก็เอาคัมภีร์ต่างๆมาแล้วก็มาเทียบมาเขาเรียกว่าชําระนะฮะมาตรวจสอบกันมาสอบทานกันองค์นั้นอันอันนี้มาจากเมืองนครสิทธิธรรมรานี่มาจากเชียงใหม่มาตรวจสอบกันเช็คแล้วก็ลงกันเรียบร้อยดีถ้ามันไม่ลงกันรงไหนมีวิปรัสดทาฟุตโน้ตไว้ว่าฉบับโน้นเป็นอย่างงี้ฉบับนี้เป็นอย่างนั้นคือตั้งพยายามรักษาไว้คงเดิมที่สุด เสร็จแล้วก็จะลึกเป็นแม่แบบทําเป็นการแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งนี่เม่ทากี่ฉบับไม่รู้แล้วนะทาทองทาเทิงอย่างดีเลยทรงให้เกียรติมากเหลือเกินน่ะแล้วก็ทําหอมนเทียนทําขึ้นเก็บไว้รักษาเนี่ยเป็นแม่แบบของประเทศเลยนะีเนย่เอากันอย่างนี้ของแต่ละประเทศก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แต่ละประเทศก็แทบจะอวดกันเลยนะของฉันนี่มีแม่บทอยู่นิดนึ ทีนี้เวลาประเทศหนึ่งต้องการจะชําระก็อาจจะส่งทูตมาขอซักฉบับหนึ่งไปตรวจสอบกับของประเทศของตัวนั้นเวลาที่เราเรียกว่าสังเกตนาปัจุบันก็จะต้องเอาของประเทศต่างๆเท่าที่มีเนี่ยมาตรวจสอบกันเราก็จะบันทึกเออดูหน้านี้คํานี้เออเกิดไม่ตรงกันฉบับของเรากับฉบับพมา่าฉบับของพมา่านี่เขาเป็นตัวจอของเรามันเป็นตัวบอว่างันนะเนาะอ้าวบันทึกไว้บอกของเราจอบอกว่าฉบับพม่าเป็นบอ แม้แต่ตัวอักษรหนึ่งก็ต้องบันทึกนี่เรียกว่าสังเวยนาพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าไปเที่ยว ส, สางพระไตรปิฎกฉันเห็นว่าอย่างนี้ไปจัดการไม่ใช่นะเขาใจผิดคนปัจจุบันไม่รู้เรื่องสังเวยนาสังเวยนาคือรักษาพุทธพจน์ที่มีมาให้บริสุทธิ์ที่สุดแม่นยําที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกของเรานี้จะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมด จะไปอยู่เมืองฝรั่งเมืองอินเดียเมืองพมา่าเมืองอะไรก็เหมือนกันหมดแต่ว่าก็อดไม่ได้เพราะมากมายพิมพ์เป็นเล่มทั้งสอง0มืสองพันหน้าเป็นฉบับภาษาบาลีดังนั้นก็ต้องมีบ้างนะที่มันอาจจะเผล อ, อยังไงก็ไม่ทราบอย่างเล่มสามิบสามเนี่ยของไทยหายไปเป็นคาถาเลยเอออย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างมันยากมากในการที่จะรักษา แต่ก็เรียกว่าเก่งมากที่ท่านรักษาได้อย่างนี้ก็เรียกแสดงว่าท่านต้องมีน้ําใจต่หนักถึงความสําคัญอย่างยิ่งทีนี้ที่ท่านถามตัวอักษรนี่ตัวอักษรพออย่างที่ว่าภาษาบาลีเดิมรักษาไม่ได้ปักเปล่าก็ไม่ต้องใช้ตัวอักษรนี่นี่พอมามีตัวอักษรก็ตกลงกันสิว่าตัวอักษรนี้แทนเสียงนี้ทีนี้พวกอักษรในประเทศเหล่าเนี้ยมันถึงกัน มีประวัติความเป็นมาในการเกิดอักษรของชาติต่า ง, างๆแถวนี้คล้ายๆกันแหละอักษรของอินเดียก็เป็นที่มาส่วนหนึ่งของอักษรไทยเราด้วยนะอย่างตัวเลขตัวเลขอาราบิกนี้ก็มาจากอินเดียฝรั่งตอนแรกนึก็เป็นของอาหรับก็ไปเรียกอาราบิกตอนหลังนี่ฝรั่งรู้แล้วบอกว่าอาหรับไปเอาจากอินเดียเลยตอนหลังนี่ฝรั่งเรียกเต็มว่าตัวเลขฮินดูอาราบิกเขาไม่เรียกอาราบิกแล้วนะ เรียกเต็มต้องเรียกว่าตัวเลขฮินดูอาหรับกเพราะว่าอาหรับแกไปเอามาจากอินเดียทีหนึ่งแล้วก็ไปถึงฝรั่งก็ฝรั่งเอาจากอาหรับอันนี้ตัวเลขตัวอักษรพวกนี้ก็เป็นที่มามาถึงเมืองไทยอะไรจ ะ, ะไรไปเมืองมอญเมืองอะไรแล้วก็มีการมาชําระมาคิดมาตกแต่งปรุงอะไรขึ้นมาจนกระทั่งเป็นอักษรของชาตินั้นๆในอักษรพวกนี้ก็คล้ายกันอยู่แล้ว ก็มาเทียบกันอักษรนี้ตรงอักษรนี้เราก็มาตกลงกันทีนี้เขียนภาษาบาลีจะเขียนด้วยอักษรของชาติไหนกันด้เมื่อตกลงกันแล้วว่าอักษรนี้เสียงนี้จะเทียบกับอีกชาติหนึ่งคืออันนี้ก็เท่านั้นก็จบเพราะนั้นเราจะเขียนภาษาบาลีเป็นอักษรไทยฝรั่งจะมาอ่านก็มาดูอักษรไทยตัวนี้เทียบกับของตัวอักษรที่ตัวเคยเรียนมาปั๊บเดียวะได้อ่านได้แล้ว ไม่ต้องรู้ภาษาไทยเลยเราจะอ่านพระไตรปิฎกบาลีอักษพรพมา่าแล้วก็ไปเรียนอักษพรพมา่าอักษรนี้เท่ากับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่ากับกอตัวนี้เท่ากับขอของเราเท่ากับสระอรกษรของเราพราะจำได้ปั๊บอ่านพระไตรปิฎกได้เลยพระไตรปิฎกพม่าเอาอ่านได้หมดเป็นสากลหมดอักษรโรมันก็ฝรั่งก็มาบัญญัติอ้อไอ้ตัวสระอ่ะก็เอาเป็นเท่ากับตัวเอ สระอาก็เป็นเอมีขีดบนสระอเท่ากับ I สระอีเท่ากับ i มีขีดบนสระอเท่ากับ u สระอูเท่ากับ u มีขีดบนอะไรเงี้ยนะเอก็เท่ากับ e โอเท่ากับ O อะไรเงี้ยอาและแค่นี้แหละครับเดี๋ยวก็อ่านได้แหละพระไตรปิกอักษรโรมันมาปั๊บเราอ่านได้หมดลสากลเลยแล้วแน่นอนไม่เหมือนภาษาอังกฤษ t นี่ก ไปนะัใช่ไหมมันไม่แน่นอนนี่เอออะไรกันเนี่ยไอทีโอทำไมเป็นถูกไอจีอเอา้าทำมกลายเป็นโกกันแล้วใช่ไหมภาษาไทยก็เหมือนกันบางคําก็อ่านไม่แน่นอนแต่ถ้าบาลีแล้วเด็ดขาดเลยบาลีนี่แน่นอนตัวอะไรเป็นตัวนั้นกอเป็นกอขอเป็นขอสระไหนสระนั้นพราะนั้นจะไปเทียบ อ, อักษรไหนเหมือนกันหมดสบายเลย ภาษาบาลีก็เลยกลายเป็นว่าพระไตรปิฎกอาตจะาถาไปอยู่ในประเทศไหนก็ใช้อักษรประเทศนั้นใครไปก็เรียนรู้และเทียบได้หมดอ่านได้หมดเข้าใจนะฮะอ่ามีอะไรอีกละ้ะไม่ทราวบว่าแสดงว่าเราก็ไม่ได้คัดลอกมาโดยตรงจากภาษาสิงหลนใช่ไหมครับ อ, อ๋อเราก็สืบสืบกันมาสายไทยเราก็ต้องยอมให้เกียรติลังกาลังกาก็เนี่ยเป็นแหล่งการศึกษาใหญ่ ในสมัยที่ทางอินเดียเสื่อมแล้วพระใจปิฎกเนี่ยก็มารักษาไว้ดีที่ลังกาแล้วก็ตอนที่ลังกาเขาฟื้นฟูพุทธศาสนาเราเรียนศึกษาใหญ่และทางไทยแล้วก็มีพระไปเรียนเยอะอ้าวท่านอ่านประวัติพุทธศาสนาะในตอนสุขโขทัยไงพระไทยแล้วก็พระลังกาก็มาจากลังกาก็มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ ข้อขุนของเราที่สุขโขทัยก็ส่งทูตไปนิมนต์พระมหาสตมีสังฆราชมาสุขโขทัยถูกไหมครับแล้วก็ถวายที่ให้อยู่ที่วัดอรัญจิหรืออะไรนั่นแหละถูกไหมได้ยินไหมเคยได้ยินนั่นแหละครับนั่นแหละเนี่ยก็คือฟื้นผู้ทศ น, น, น, นะเอาลังกาเป็นแม่แบบแต่ว่าพระใจพิดกเองที่จริงมีมาก่อนแหละมีมาแล้วก็รักษากระสืบมาทีนี้การเล่าเรียนศึกษา ก็ถือว่าบางทีมันชักจะเสื่อมลงไปก็ไปฟื้นฟูไปเล่าเรียนกันมาแล้วก็คำพีไหนที่มันขาดโตบกพร่องก็ไปเอามาให้ครบกําลังการที่เป็นศูนย์กลางใหญ่ตอนยุคนั้นมีอะไรสงสัยอีกไหมฮะมีบางที่ที่กาลังแบบพยายามแปลจากอักษรขอมอะครับมันเป็นอักษรไทยก็เลยไม่ทราบว่าอาจจะอันนี้คือเพื่อจะศึกษาหรือเพื่ออะไรไม่ทราบ แปลงจากอักษรขอมเป็นอะไรเป็นอักษรไทยครับน่ามก็ธรรมดาเพราะว่าคนสมัยนี้ไทยอ่านขอมไม่เป็นคือในเมืองไทยเราเนี่ยนะแต่ก่อนเราก็ใช้อักษรขอมแล้วพอเรามีอักษรไทยขึ้นคนไทยก็เกิดไปยุทธ์ติดอักษรขอมเกิดมีปัญหาเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกถือว่าอักษรไทยเนี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์ต้องใช้อักษรขอมเพราะฉะนั้นจะเขียนภาษาบาลีนี่ต้องใช้อักษรขอมกลายเป็นอย่างนั้นไปยึดมั่น ตอนนั้นสมัยผมยังเป็นเนนเนี่ยคำพีไบลานเป็นอักษรขอมเยอะแยะไปหมดเลยตามวัดบ้านนอกเวลาจะเทศหลวงพ่อเก่าๆก็ต้องอ่านอักษรขอมอันนี้ท่านก็ชำนาญอักษรขอมกันแม้แต่ว่าอาจาจักขอมเนี่ยมันหมดไปนา น, เ, นเลยแล้วแต่มองไทยกลายไปว่าช่วยรักษาอักษรขอมไว้ด้วยก็เรียนภาษาบาลีอะไรใดๆคำภีใบลานก็ใช้อักษรขอมกันมาเพราะถือเป็นอักษรศักดิ์สิทธิ ถ้ามาเขียนไปอักษรไทยก็กลายเป็นไม่ศักดิ์สิทธิ์ไปเจ้กระทั่งในหลวงรัชกาลที่5มาทรงพัฒนาขึ้นว่าเรามีความเจริญแบบฝรั่งการพิมพ์เข้ามาทําหนังสือเป็นเล่มได้แล้วไม่ต้องเป็นคำภีรใบลานเพราะพิมพ์เป็นเล่มแล้วเในนในหลวงก็ต้องการจะให้เผยแพร่แล้วก็ให้คนสมัยใหม่อ่านได้สะดวกจะเป็นตัวอักษรขอมอยู่คนสมัยนี้ไม่รู้เรื่องแย่แล้วอ่านได้ไม่กี่คนก็เลยให้ แปลงถ่ายทอดจากอาักษรขอไปยังอักษรไทยแล้วก็พิมพ์ไปเล่มขึ้นเลยในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเป็นต้นแบบเป็นต้นคิดเลยในการที่มาพิมพ์คัมภีร์เป็นอักษรไทยตอนนั้นก็โดนค้านเยอะเลยถ้าไม่ใช่รัชกาลที่5อาจจะสําเร็จยากเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่5นี่ทรงเป็นที่รักใช่ไหมคนก็เชื่อถือมากแม้กระ น, นั้นก็โดนค้านเยอะพระก็ไม่พอใจเยอะ ชาวบ้านก็เอจะมาทําลายความศักดิ์สิทธิ์เลยใช่ไหมโอเล่นเราทำำําลําบากเมื่อแต่ในหลวงก็ทําได้สําเร็จก็เลยพิมพ์พระไตรปิฎกออกมาเป็นเล่มเป็นอักษรไทยครั้งแรกเลยตอนแรกมี39เล่มขาดคำภีอภิธรรมหกเล่มสุดท้ายไม่ครบ45้าเล่มขาดไปหเล่มคำภีรปัจฐานนี่สุดท้ายเนี่ยพิธรรมมี6เล่มเมื่อขาดไปก็เลยมี39เเล่ม ทีนี้ส่วนที่สิงโหนต์เขาใช้อักษรสิงหนไม่ใช่ภาษาสิงโหนต้องแยกก่อนลังกาเขาก็เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรสิงหนไทยเราก็เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรไทยพม่าเขาก็เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรพม่ามอนก็เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรมอนลาวก็เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรลาวคมเก็เขียนด้วยอักษรของคำเรหรือขอมและไทยเหนือเราก็มีอักษรของตัวเองอีก ทางนั้นเรียกว่าอักษรธรรมก็เลยมีพระไตรปิฎกบาลีฉบับอักษรธรรมของเมืองเหนือขึ้นมาอีกก็เป็นอีกฉบับแล้วฝรั่งก็มาคัดลอกเอาไปตอนแรกเอาจากฉบับอักษรสิงหนนเก็ได้ฉบับอักษรสิงหนไปก็ใช้อักษรโรมันอักษรฝรั่งเนี่ยก็เรียกว่าอักษรโรมันก็ไปใช้เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรโรมันเราก็เลยมีพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ เช่นอัตกถาเนี่เป็นฉบับอักษรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนี่ยแต่ทีญี่ปุ่นก็เอาไปแล้วนะญี่ปุ่นในที่สุดเขาก็รู้ว่ามหายาณเนี่ยคำพีเดิมหายหมดแล้วแล้วพระไตรปิฎกบาลีนี่เป็นของต้นเดิมเท่าที่มีเก่าที่สุดญี่ปุ่นก็เลยมาเอาคัมภีรพระไตรปิฎกบาลีของเราไปแล้วก็เอาไปคัดไว้ที่ญี่ปุ่นตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีพระไตรปิฎกบาลีด้วย ออพูดเยอะแล้วท่านว่าไงนะก็ดีไหมเรื่องเก่าๆอย่างนีเออ้เรื่องความเป็นมาจะได้รู้แม้จะไม่ใช่เนื้อหาธรรมะนะรู้เรื่องประกอบก็แล้วรู้เรื่องประกอบก็เป็นประโยชน์ถ้าท่านสนใจมากอาจจะต้องมาเล่าเรื่องพระไตรปิฎกในแง่ของการที่มาพูดให้เห็นรูปร่างของพระไตรปิฎก การจัดแบ่งหมวดหมู่พระใจรปดฎกให้เห็นว่ารูปร่างเป็นยังไงเนื้อหาเข้าโครงเรื่องสาระสําคัญในแต่ละหมวดละตอนเป็นยังไงเนี่ยถ้าท่านสนใจจริงๆแล้วเรียนไว้นี่จะเป็นประโยชน์มากคือมองพระไตรปิฎกปั๊บนี่มองออกเลยเว่าอ๋อเนื้อหาส่วนนี้จะหาได้จากเล่มไหนส่วนไหนเมื่อกี้เรามองเห็นล้วก็เออเปพระไตรปิฎกกระจก อ่อย่างเก่งขึ้นมาก็แบ่งได้เป็นพระวินัยพระ ส, สูตรพิธรรมแต่ก็ไม่รู้อีกว่าวินัยส่วนนั้นจะหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการผูกศีมาเรื่องของการลงโบสถุโบสถ์สดจะไปหาตอนไหนอย่างงี้นึกไม่ออกเลยหรืออย่างเรื่องพระ ส, สูตรก็เหมือนกันจะไปหาเรื่องขันห้าจะไปหาเรื่องทิศหกจะไปหาเรื่องของภิกษณุณีเออจะไปหากองไหนอ่อเอาอย่างไงอะไรเนี้ยนะนี่ถ้าหากว่าเราเรียนรู้เรื่องพระไตรปิฎกเนี่ย เรามองปั๊บเราก็ออกเลยว่าอ๋อเรื่องนี้ควรจะไปหาที่เล่มนั้นเล่มนั้นตอนนั้นถ้าท่านสนใจก็อาจจะมาค่อยคุยอีกทีถ้าสนใจนะถ้าไม่สนใจก็แล้วไป mm hmm. แต่ว่ามันก็เป็นพื้นฐานในการเล่าเรียนถ้าเราจะลงลึกในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเรารู้เขาโครองพระไตรปิฎกไว้เป็นประโยชน์มากเพราะแหล่งที่แท้ก็จะมาจากนี้ คือเราอาศัยครูอาจารย์นี่เป็นสื่อให้เราเพื่อไปโยงเข้าหาหรือนำเข้าหาพระเจ้ิปิกเราไม่ใช่ไปติดอยู่แค่ครูอาจารย์ใช่ไหมอ่ามีอะไรไหมครับสงสัยอะไรไหมไ ม, ไม่มีนะถ้าไม่มีก็เท่านี้ก่อนแมงก็นิมนต์สุขสวัสดี